ที่หมายถึงหัยรูปแต่ว่าอย่างต่ำในบางครั้งก็อาจจะไม่มีจักขุโศตะคานะและภาวะคือเพศแต่สำหรับสัตว์ที่เป็นคับพระเสยยกะคือสัตว์ผู้กำเนิดในคันนั้นในตอนถือปฏิสนธิก็ปรากฏรูปสามหมดก่อนคือกายหนึ่งภาวะเพศหนึ่งและวัตถุคือหัตถหนึ่งแต่สำหรับภาวะคือเพศนั้นในบางคราว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 ต่อไปท่านได้แสดงถึงรูปในรูปประโลกคือในโลกของพรหมผู้ได้ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ซึ่งเรียกว่ารูปประพรหมในโลกของพรหมนี้ไม่มีรูปที่เป็นหมวดขานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายคือกายประสาทและภาวะคือเพศกลับไม่มีหมวดรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้น ในเวลาปฏิสนธิของรูปปัรมจึงมีหมวดรูปแต่สามหมวดคือหมวดจักษุกับหมวดโสตะและมีหทัยวัตถุที่ตั้งแห่งจิตใจกับมีหมวดรูปที่เป็นชีวิตแต่ในเวลาพระัติการคือเวลาที่สืบต่อไปจากปฏิสนธินั้นก็มีรูปที่เกิดจากจิตและเกิดจากอุตุคือฤดูดังกล่าวนั้นด้วย ส่วนพวกสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีสัญญาเรียกว่าอาันยีสัตว์นี่ไม่มีทั้งตาทั้งหูทั้งอัยวัตถุและทั้งเสียงและไม่มีทั้งรูปที่เกิดจากจิตทั้งหมดในเวลาที่ก่อปฏิสนธิก็มีแต่ชีวิตเท่านั้นและสืบจากก่อปฏิสนธิแล้วรูปกายของอาศันยีสัตว์นั้นก็สืบต่อเกิดจากอุตุคือฤดูและก็เป็นรูป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 เป็นการเทียบเคียงด้วยในทาตุวิพังคสูตรได้แสดงว่าบุรุษคือคนนี้มีธาตุหกได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศและวิญญาณธาตุธาตุรู้มีปัญหาว่าธาตุทั้งหกนี้ ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรในติกนิบาตอังคุตรนิกายมีกล่าวขยายความไว้ว่าอาศัยท่าทั้งหคันจึงก้าวลงคือตั้งคันเมื่อคันตั้งลงก็เกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยก็เกิดอาญัตนาหกเป็นต้นตามพระบาลีนี้สองว่าต้องมีวิญญาณท่าทารู้ซึ่งเป็นท่าที่หประกอบอยู่ด้วยคันจึงก้าวลง ซึ่งหมายความว่าตั้งคันในการตั้งคันนั้นในมหาตันหาสังคยสูตรได้กล่าวไว้มีความว่าเพราะประชุมแห่งองสามคั 3, นจึงก้าลงหมายความว่าตั้งคันคือมารดาบิดาสันนิบาตหมายความว่าอยู่ด้วยกันหนึ่งมารดามีระดูหมายความว่าอยู่ในระหว่างระดูหนึ่ง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 เกิดเป็นตัวขึ้นทีเดียวหรือว่าตั้งต้นมาอย่างไรโดยลำดับมีบาลีเล่าไว้ในสคาทวักสังยุตตนิกายว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่พบคือที่อาศัยของอินทกะยักษ์ก็คงจะเป็นคนประเภทที่เขาเกรงกลัวว่าดุร้ายที่สุดเรียกว่าอินทะอยู่บนภูเขาอินทกูฏที่ใกล้กรงราชคฤห์ยักษ์ผู้นั้นท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีความเห็นว่า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 ซึ่งท่านได้ผูกเป็นคถาไว้ว่าพระพุทธทั้งหลายย่อมกล่าวว่ารูปไม่มีชีวะสัตว์นี้ย่อมได้สรียระนี้อย่างไรกระดูกและเนื้อของสัตว์นั้นมาจากไหนกันสัตว์นี้ย่อมค้องคือมังเกิดในขันอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบที่ท่านได้ผูกเป็นคถาไว้ว่ากะละละมีขึ้นก่อน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 จึงมีจุดก่อกําเนิดเป็นกลละก่อนที่สองก็เป็นอมพุทธที่สก็เป็นเปสิที่สี่เป็นขณะที่ห้าก็แตกสาขาและต่อไปก็เกิดส่วนอื่นๆพระอัตกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายไว้ว่ากลละที่เป็นจุดแรกก่อกาเนิดนั้นประมาณหยาดน้งงามันงาติดที่ปลายได้ที่ฟันด้วยปลายขนทายสามเส้น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 และมีพระพุทธภาษิตรตรัสตอบพระอานุ์ในอังคุตระนิกายเก็บเอามาเฉพาะที่ต้องการว่าพระอานุ์ได้ทูลถามว่าพบมีด้วยเหตุอะไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระอานุลว่าถ้ากรรมให้วิบากในการมทธาตุในรูปธาตุในอรูปธาตุหมายความว่ากรรมที่จะให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพถ้าไม่มี พบต่างๆดังกล่าวจะปรากฏหรือพระอานุ์ก็กระทลว่าปรากฏหาไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ากรามังเขตังกรรมเป็นเหมือนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นเหมือนพืชที่หวานลงในนาตันหาสิเนโหตันหาเหมือนยางเหนียวมีอยู่ในพืชอันจะทําให้พืชนั้น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 นิพพานจึงมีเพียงอย่างเดียวแต่อาจจำแนกโดยเหตุบางประการได้สองคือสอุปาทิเสสนิพพานธาตุแปลว่านิพพานธาตุที่มีปัญจขันธ์เหลือได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานทาตที่ไม่มีปัญจขันธ์เหลือได้แก่นิพพานธาตุของพระอรหันต์ผู้ดับขันธ์แล้ว อีกอย่างหนึ่งอาจจะแยกโดยอาการได้เป็นสามคือสุญญาตนานิพานนิพานที่ว่างกิเลสอนิมิตตานิพานนิพานที่ไม่มีกิเลสเป็นนิมิตเครื่องหมายอปณนิหิตานิพานนิพานที่ไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งชื่อทั้งสามนี้บางอาจารย์อธิบายอิงหลักไตรลักษ์คือเมื่อพิจารณาไตรลักษ์ข้ออนัตตาที่ว่า ปัญจะขันไม่ใช่ตัวตนจนจิตว่างจากความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนบัตลุนิพานคือความดับ ก, กิเลสนิพานของผู้พิจารณาดังนี้ก็เรียกว่าสุญญาตนณิพานเมื่อพิจารณาตรายลักษณ์ข้อว่าไม่เที่ยงคือปัญจะขันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนดับอนิจจาความไม่เที่ยงปรากฏชัดจะกําหนดลงไปตอนไหนว่าเที่ยงสักแห่งหนึ่งก็ไม่ได้ ความไม่มีนิมิตคือไม่มีที่กำหนดหมายก็ปรากฏขึ้นเมื่อบรรลุนิพพานก็เรียกว่าอานิมิตตกนิพพานนิพพานที่ไม่มีนิมิตเมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ข้อว่าปัญจขันตเป็นทุกข์หมายความว่าตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเมื่อตั้งอยู่ไม่ได้ก็หาที่ตั้งของปัญจขันตไม่ได้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 แด่พระพุทธมารดาในเทวโลกชั้นดาวดึงได้สอบถามดูว่าทางมหายานเขาว่ายอย่างไรกันในเรื่องนี้ก็ได้รับคําตอบว่ามีแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดพระพุทธมาราบนสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แสดงอภิธรรมแสดงพระสูตรพระสูตรหนึ่งอภิธรรมในมหายานก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นพระพุทธภาษิตเหมือนอย่างในเถรวาสเรา อภิธรรมในมหายานนั้นเป็นทรรนองอัตถกถาคือเป็นคำภีร์อธิบายพระสูตรมีชื่อคมภีร์ก็แตกต่างจากอภิธรรมทั้งเจ็ในฝ่ายเทรวาตรัตแต่ว่าเนื้อความนั้นจะมีคล้ายกันบ้างหรือต่างกันอย่างไรยังไม่ทราบที่ของมหายานว่าเป็นคําอธิบายนั้นก็เข้าเข่าเพราะคําว่าอภิธรรมในที่แห่งหนึ่งให้ความหมายว่าคําอธิบายพระธรรม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 ใกล้สุงสุมารักีรกปัญหาในอริยภูมิพันษาที่แปดของพระพุทธเจ้าพระอัตถคถาจาร์ซึ่งได้เขียนคำพีอัตถคถาในสมัยเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงได้แล้วประมาณหนึ่งันปีเศษได้เขียนเล่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศอภิธรรม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 แต่เมื่อทรงได้ตั้งปัญหาถามในชั้นพุทธภูมิที่สูงกว่าภูมิของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้นั้นก็เพราะไม่ทราบพระพุทธอัจฉริยใสย่ว่าจะมีพระพุทธอัจฉริยใส่ให้ตอบโดยไหนไหนท่านยกตัวอย่างปัญหาที่ถามในพุทธภูมิว่าบุคคลผู้มีธรรมะอ น, นันต์คือพิจารณารู้ตลอดแล้ว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 มุ่งจะให้ตอบในในของขันพระษารีบทก็เกิดปฏิพานขึ้นจึงตอบได้ข้อที่ท่านเล่าไว้นี้ก็น่าฟังอยู่เหมือนกันในการตอบปัญหานั้นจำจะต้องรู้ในคือความประสงค์ของปัญหาหรือของผู้ถามเมื่อตอบให้ถูกตามความประสงค์ก็เป็นอันใช้ได้ดังปัญหาธรรมะว่าคนดีนั้นคือคนอย่างไรก็กว้างมาก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 เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงปัญหาที่เป็นพุทธภูมิระสารๅบุตรก็จำจะต้องได้ในและเมื่อได้ในแล้วก็ตอบได้อาจารย์ผู้นิดหนึ่งก็ไม่มีพระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้ที่สามารถจะปฏิบัติธุระแห่งพระองค์ได้และท่านได้เล่าว่าได้ตรัสชาดกเรื่องหนึ่งยกย่องระสารๅบุตร มีความว่าได้มีดาบทคณะหนึ่งประคุดโพสอยู่ในป่ามีอาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอนหมู่ดาบททั้งหลายบรรดาสิทธเหล่านั้นได้มีสิทธผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดและได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าสิทธทั้งหลายคราวหนึ่งหัวหน้าสิทธคนนั้นก็ได้ลาอาจารย์พาคณะสิท์หมู่หนึ่งไปอยู่ในละแวกบ้านฝ่ายอาจารย์ก็เกิดอาพาธขึ้น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 และได้ทราบเรื่องที่หมู่สิทธิ์ได้ฟังปฏิญญาของอาจารย์เมื่อใกล้จะตายและก็พากันไม่นับถือไม่สักการะศพจึงได้ชี้แจงอธิบายว่าอาจารย์มรรลุอรูปฌานชั้นที่สามอารูปฌานชั้นที่หนึ่งนั้นมีอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดชื่อว่าอารูปคือไม่มีรูปก็เพราะกําหนดอากาศไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ในอากาศนั้นไม่มีรูปอะไร เมื่อจิตแน่วแน่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่าได้อารูปที่หนึ่งอารุปที่สองนั้นมีอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดคือว่ารู้ไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดเท่าใดรู้ก็ออกไปไม่มีที่สุดเท่านั้นและในตัวรู้ก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกันคือไม่มีรูปอะไรเมื่อตั้งต้นด้วยอากาศที่ไม่มีรูปอะไร รู้ที่สูงขึ้นไปซึ่งแผ่ออกไปไม่มีที่สุดก็ไม่มีรูปอะไรอีกเหมือนกันเมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่าได้อารูปที่สองอารูปที่สามนั้น ม, ออ <c oughs> มีอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีหรือว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะเมื่อเลื่อนขึ้นมาจากชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองซึ่งไม่มีรูปอะไรอยู่ในอากาศ <c oughs> อยู่ในตัวรู้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 จะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ได้จะเรียกว่ามีก็ไม่ได้คล้ายๆกับเกือบจะหลับหรือว่าเกือบจะดับลงไปแต่ก็ไม่หลับไม่ดับนี้เรียกว่าเป็นอารูปที่สี่พิจารณาดูในโสลถปัญหาท่านที่มุ่งจะบำเพ็ญวิปัสสนาต่อถ้าจะเล่นทางสมาธิให้ได้ฌานก็มักจะดำเนินมาถึงขั้นที่สคือน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี และก็จับบาเพญวิปัสสนาต่อไม่ไปถึงชั้นที่สพิจารณาดูต่อไปถึงขั้นที่สี่แล้วจิตจะอ่อนกําลังเต็มที่คือว่านามธรรมนั้นเป็นกําลังของจิตนามธรรมอ่อนลงไปทุกทีไม่พอจะใช้พิจารณาอะไรให้เกิดความรู้ถ้าจะดําเนินไปอยู่ถึงชั้นที่สก็ต่อออกไปอีกชั้นหนึ่งเรียกว่านิโรธสมาบัติเข้านิโรธคือเข้าดับ ซึ่งเป็นชั้นที่9นับรูปประฌานสี่และอรูปสี่และนิโรธคือดับไปอีกหนึ่งก็เป็น9ดับอะไรก็คือดับสัญญาดับเวทนาหมดนามธรรมทั้งหมดก็คงไม่ต่างอะไรกับหลับสนิทซึ่งท่านแสดงว่าพระอรหันต์พระปัจเจกโพธิ์ได้เข้านิโรธสมาบัติคือเข้ารูปประฌานอารูปฌานมาโดยลําดับจนถึงขั้นนิโรธสมาบัตินี้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 เทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็เห็นมนุษย์เห็นเทวดาแปลว่าเห็นกันตลอดตามนี้ก็เข้าใจง่ายๆว่าได้มีการแสดงธรรมะที่เป็นส่วนเหตุและแสดงธรรมที่เป็นส่วนผลอันจะพึงได้รับทุกภูมิทุกชั้นดังที่เราว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามปัญหาแก่บุคคลทุกภูมิชั้นตั้งแต่ชั้นต้นชั้นต่าจนถึงชั้นพุทธภูมิ ซึ่งเป็นชั้นที่ต้องทรงตอบเองหรือว่าประธานไหนให้พภาษาฤๅษีเป็นผู้ตอบความเชื่อถือเรื่องเสด็จลงจากเทวโลกนี้ได้มีมาตั้งแต่เก่าแก่เมื่อครั้งสร้างพระพุทธรูปเริ่มแรกก็ได้มีพระพุทธรูปปางเทวโรหณนะแปลว่าเสด็จลงจากเทวโลกและความเชื่อนี้ก็ยังได้แผ่เข้ามาในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย ดังที่มีนิยมใส่บาตวันเทโวคือวันออกพรรษาในบางแห่งเช่นนคนปรปฐมวันออกพรรษานั้นนิมนต์พระจากวัดต่างๆไปรวมกันอยู่บนเนินองค์พระและประชาชนก็มาตั้งขันใส่บาตกันข้างล่างสองข้างทางพระก็เดินลงมาจากเนินองค์พระปฐมดูเป็นเดินมาจากบันไดชงสู ง, สงแล้วก็ใส่บาตมีนิยมกันมากทุกปีเรียกว่า ไ่บาทวันเทโวหรือเทโวโรหนะัเสด็จลงจากดาวดึงเมืองสังกาสนี้ในอัตรกถาธรรมบทว่าไกลจากเมืองสาวัตถี30โยน์แต่ว่าเมื่อรวมระยะทางในบนัดนี้ประมาณ270ใหไม่ก็ใกล้เคียง ก, กันกับจำนวนที่ให้ไว้ว่า30โยนินโยต้น เหตุที่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงพรรษาที่8ได้เสด็จไปจำพรรษาที่เพสะกลาวันอยู่ชาญเมืองสูงสุมาลคิระัะในภคะชนบทภคะชนบทนั้นเป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งซึ่งสมัยนั้นโพธิราชกุมารซึ่งเป็นอวรสของพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นวังสะซึ่งมีนครหลวงชื่อว่าโกสัมพี เป็นผู้ครองฉะนั้นจึงน่าจะขึ้นอยู่กับรัฐวังสัตว์ของพระเจ้าอุธเธนโพี่ราชกุมารซึ่งเป็นผู้ไปครองก็ทำนองไปครองฐานะเป็นเมืองลูกลุงเมืองหลวงของพรกะชนบทนี้ชื่อว่าสุงสุมาระคีระแปลว่าเมืองที่เป็นเนินจระเข้สุงสุมาระแปลว่าจระ เ, เข้คระแปลว่าเนินหรือเขา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 ไม้สีเสียดเพศกลาวันก็แปลว่าป่าไม้สีเสียดแต่รวมความก็เป็นชื่อของวนะแห่งนั้นพระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่วนะอันชื่อว่าเพักลานั้นได้มีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยที่ประทับอยู่ณที่แห่งนั้นที่ควรจะเล่าก็คือโพธิราชกุมารซึ่งเป็นผู้ครองแคว้นนั้นได้สร้างปราสาทใหม่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 เพราะไม่มีพระโอรสพระธิดาและยังได้เล่าถึงนายช่างที่สร้างปราสาทของโพธิราชกุมารไว้ว่าเมื่อได้สร้างปราสาทจวนจะเสร็จพระราชกุมารก็ให้เอาคนล้อมไว้มาให้ช่างออกเพราะกําหนดไว้ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะฆ่านายช่างเสียเพื่อไม่ให้ไปสร้างที่อื่นให้เหมือนกันฝ่ายนายช่างรู้ก็แซงว่าทํายังไม่เสร็จก็ขอเบอิกเอาไม้และสิ่งต่างๆตามที่ต้องการ เข้าไปสร้างนกยนต์ไว้บนชั้นบนของปราสาทเมื่อสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็หาวิธีนำบุตรภรยาขึ้นนกยนต์นั้นและบินหนีไปสร้างเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่งและก็ตั้งตนเป็นผู้ครองเมืองนั้นชื่อว่ากัตถวานะราชาในระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะวณะแห่งนี้ก็ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทแห่งสุราปานวัตที่ห้ามให้พิสุก่กอาะไฟพิ้งอีกเรื่องหนึ่ง ได้มีคฤหั บ, บดีผู้หนึ่งชื่อว่านั ก, กุลปิตาพร้อมกับภรยาได้เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอันมากพระอัตถกถาจารย์ได้เล่า ว, ว่าสามีภรยาทั้งคู่นี้ได้มีความรักในพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างบุตรและได้เรียกพระพุทธเจ้าว่าบุตรในคราวหนึ่งนั ก, กุลปิตาได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้กราบทูลว่าตนเป็นผู้แก่เท่ามากแล้ว จะไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ได้หนนิดเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระองค์ทรงโอวาทอนุาสารเพื่อจะให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสโอวาทโดยย่อว่ากายนี้ซึ่งเป็นปรังโรคเป็นของอาดูนคือครครกระสับกระส่ายเมื่อบุคคลบริหารกายนี้อยู่ด้วยความพินิจพิจารณาถ้าไม่ลงไม่เขลา จะพึงรับรองว่ากายนี้ไม่มีโรคแม้ครู่หนึ่งก็หาได้ไม่เพราะฉะนั้นก็ให้ศึกษาว่าเมื่อกายอาดูลคือกระสับกระส่ายจิตจากไม่อาดูลคือกระสับกระส่ายให้คารหบดีศึกษาดังนี้ฝ่ายนั ก, กุลปิตาซึ่งได้สดับพระพุทธโอวาดโดยย่ออย่างนั้นก็ได้ไปหาพระสารีบุตรขอให้ท่านอธิบายความให้พิสดาร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 เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจขึ้นเพราะความแปรปรวนนั้นอย่างนี้ชื่อว่ามีกายกระสับกระสายด้วยมีจิตกระสับกระสายด้วยส่วนบุคคลผู้มีกายกระสับกระสายแต่มีจิตไม่กระสับกระสายอย่างไร คือบุคคลที่ฉลาดรู้อริยธรรมได้รับการแนะนำดีในศัพท์สธรรมไม่เห็นเหมือนอย่างนั้นจึงไม่มีความกำหนดยึดถืออยู่ว่าเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่เกิดความศพเป็นต้นขึ้น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 ก็ได้ทรงเก็บความแห่งพระพุทธภาษตนี้มาทรงประพันธ์เป็นคาถาไว้บทหนึ่งว่าอาตุรัศบมิมปิเมกายเยจิตตังนะเหตุสตาตุรังเอวังสิกขามิพุทธรรสัพศาสนานุกติงกะรังแปลว่าเมื่อกายของเราแม้อาดูลกระสับ ก, กระสายจิตจกไม่อาดูล เรากระทำตามศาสนาของพระพุทธเจ้าศึกษาอยู่ดังนี้